ต่นสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายตอนนี้ไปอาตมาจะขอปรารภเรื่องการปฏิบัติตุหนีบาปคาว่าบาปาที่บรรดาใตพุทธบริษัทซึ่งแปลว่าการกระทำความชั่วซึ่งสมเด็จพระสัมมาจึงเพื่อเจ้าได้ทรงอยิางว่าบุคคลใดถาตกเป็นท้ายของความชั่ว เวลาก่อนอยะตายท่านกำลังจิตเศร้าหมองมีกำลังใจกังวลอยู่กับบาปตายแล้วก็ต้องตกนรกด้วความจริงที่บางท่านคิดว่าการตายแล้วไม่เกิดหรือ ว, ว่าตายแล้วมีสภาพศูนย์ยังไงก็ตามถึดด้วยความพระพุทธเจ้าทรงยืญญนยันว่าคนเราตายแล้วต้องมีการเกิด แต่กายเกิดนั้นจะเกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสติฉันก็ถือว่าเกิดทั้งหมดถ้าส่วนดีก็ไปเกิดเป็นเทวดาบ้างเป็นพรหมบ้างถ้าดีถึงที่สุดก็ไปเกิดเป็นพระอรหันต์เข้านิพพานไปเพราะนว่าอาตมาเองก็ขอยยืนยันตามที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัส ว่าการตายแล้วเกิดตนมีจริงซึ่งบรรดาท่านพุทธบริษสัทว์สนชายหญิงส่วนใหญ่เวลานี้ก็ปฏิบัติในหลักสูตรขวิชาสามบ้างในหลักสูตรข้าวปิ้งยาหกบ้างสามารถระลึกชาติได้การระลึกชาติได้ว่าก่อนก่อนจะเกิดเราเคยเกิดเป็นอะไรมาบ้างตายเป็อะไรมาบ้างเย่างนี้ทราบอยู่แล้ว ก็เป็นอันว่ายืนยันตามคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบพิตรแก้วได้ว่าการตายแล้วต้องเกิดจริงการที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือไม่นั้นก็เป็นเรื่องของบุญแล้วบาปการกลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็ไม่แน่นักว่ามาจากบุญฝ่ายเดียวส่วนใหญ่การเกิดกลับมาเป็นกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็นํามาทั้งเศษบุญและเศษบาป เศษบุญเป็นปัจจัยให้ทุกคนมีความสุขตามสมควรกับบุญนั้นแต่เศษของบาปเข้ามาครอบงมจิตเมื่อไรทุกคนที่รับผลนั้นก็จะมีแต่ความทุกข์ความเล้าร้อนถ้าหัก ว, ว่าเราคิดว่าตายแล้วไม่เกิดจิตจะมีความประมาทพลาดจากความเป็นจริงถ้าคิดอย่างนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทชายและหญิง ก็จะมีความประมาทในชีวิตคิดว่าเกิดมาแล้วตายก็สูนเมื่อมันจะศูญไปจากโลกนี้ไม่มีการเกิดต่อไปการกระทำความดีหรือการกระทาความชั่วดยๆย่อมมีผลเฉพาะในชาติปัจจุบันเท่านั้นเพราะชาติข้างหน้าไม่มีถ้าคนที่มีกำลังใจดีก็จะสั่งสมนความดีเพื่อความสุขของตน คนที่มีจิตหยาบบาปโอสซนก็ครอบงำก็อย่าทำแต่ความชั่วสร้างความเล่าร้อนให้แก่ตัวและบคุคคลอื่นถ้าตายแล้วบังเอิญที่ต้องเกิดจริงๆความจริงอาตมาใช้คำว่าบาังเอิญเฉพาะบคุคคลที่คิดว่าตายแล้วโสนสำหรับอาตมาเองจริงๆขอยืนยันว่าตายแล้วเกิดแน่การระลึกชาติเราสอนกันได้ ถ้ามียาติโยมพทัทธบริษัททําได้นับแสนถ้าเราไม่มีการเกิดเราจะรู้ชาติรักบนที่แล้วมาได้ยังไง ร, รวมความมาขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าการเกิดต่อไปมีจริงใครท่านว่าจะว่าไม่มีก็ช่างทนเถอดเรื่องความเห็นอ ย, อย่าไปถือว่าเป็นเรื่องผิดเรื่องถูกของใครก็ของมัน อราจมาบวชมาตามหลักสูตรในพระไตรปิฎกซึ่งบรรดาพระทั้งหลายยอมรับว่าเป็นถ้อยคำที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนและก็ปฏิบัติตามพระไตรปิฎกก็มีผลตามนั้นจะหมดสงสัยในเมื่อเราพูดกันเกิดพอสมควรเวลามันหมดไปเกือบจะห้านาทีต้องขอภัยบรรดาในพุทธบริษัทในเรื่องนี้ เมื่อเกิดแล้วตายแล้วจะต้องไปนรกบ้างไปสวรรค์บ้างคือไปสู่แดนของความสุขบ้างแดนของความทุกข์บ้างก็ทุกคนก็ไม่มีใครอยากจะพบกับแดนของความทุกข์ต้องการอย่างเดียวคือต้องการพบกับแดนของความสุขเราจะทำอย่างไงกันข้อนี้ข้ามรนดาท่านพุทธบริษัททุกท่านที่มีความเคารพในพระพุทธเจ้า ฟังคำแนะนำของพระเจ้าสักหน่อยหนึ่งแล้วลองไปปฏิบัติตาม <c oughs> ถ้าทุกท่านที่ฟังแล้วนำไปปฏิบัติตามได้จริง <c oughs> อาจะมาก็ขอยืนยันว่าการเกิดต่อไปข้างหน้าของท่านจะมีกี่ครั้งก็าตามกี่ใช่ก็ตามขอยืนยันว่าทุกท่านจะไม่พบกาบายาพรมทั้งสี คือการเกิดเป็นสัตว์นรกก็ดีเป็นเปรกก็ดีเป็นนสุรกายก็ดีเป็นสัตว์สื่อฉานก็ดีจะไม่มีกระทัณทุกชาติที่เกิดต่อไปแล้วการเกิดทุบรรดาท่านพุทธบริษัทธทั้งหลายก็จะจํากัดการเกิดเอาเฉพาะการปฏิบัติอย่างหยับจบับท่านทั้งหลายถ้าจะมีการเกิดจริง แต่กำลังใจของท่านย่อหย่อนปฏิบัติได้ได้แต่ว่าไม่เคร่เครียดนักคือปฏิบัติได้ไม่ละเอียดนักพอทำกันได้เรียกว่าประเภทเช้าชามเย็นชามแต่ก็สามารถส่งความดีไว้ได้อย่างนี้ถ้าหากว่าท่านจะเกิดใหม่ก็เกิดเป็นเทวดาหรือพรหมเจ็ดชาติแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเจ็ดชาติ ตามหลักวิชาหลังจากนั้นก็เป็นพระอาหารข้านิพพานถ้ามีกําลังใจอย่างกลางคือไม่เก่งเกินไปไม่เก่งถึนที่สุดและก็ไม่ลาถึงที่สุด <c oughs> คือลาประเภททําได้แต่ทําได้อย่างเชื่องชา้ากําลังใจอ่อนๆไม่ถึงอย่างนั้นมีกําลังใจกลางๆที่เรียกว่ามีกบบารมีอย่างกลาง อย่างนี้ถ้าจะเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมสามชาติจะเกิดเป็นมนุษย์อีกสามชาติเท่านี้ก็เป็นประหลาดข้าวนิพานถ้ามีกำลังใจเข้มแข็งทำได้แบบละเอียดจริงๆอารมณ์สุขขมทรงตัวได้อย่างดี <c oughs> ถ้ากำลังใจประเภทนี้เราทำได้จะเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมอีกชาติเดียวเท่านั้น กลับลง ม, มาเกิดเป็นมนุษย์หนึ่งชาติเป็นพระราหัานเข้านิพพานหลักสูตรนี้มีในพระไตรปิฎกที่พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าให้ทุกคนให้ตัดสัยชน์สังโยชนี้ถ้าตัดได้สามจะเป็นบโสดาบันเนศกิทาขามีเพียงแค่เป็นบโสดาบันอย่างหยาบที่เรียว่าสัตตะขตรงต้องเกิดอีกเจ็ชาติ เพียงเท่านี้บรรดาแทนพุทธบริษัทอบายภูมิทั้งสี่กับเราก็ไม่พบหน้ากันแล้วพอมาขอบลาบลาบายภูมิได้ถ้าสังโยชน์สังทั้งสิบราการนี่มีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งส ก, กายติฐิสองวิจิกิจฉาสามศิลปะประประมาณ สามข้อในที่อตาตมาจะชวนญาติโยมพุทธบริษัทปฏิบัติกันถ้าตัดสามข้อนี้ได้อย่างหยาบก็สามารถหลีกนระกไปแน่นอนไม่พบหน้าอีกแล้วข้อที่หนึ่งที่เรียกว่าส ก, กายแยติถิซึ่งมีความเห็นว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นข้อเราว่าเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราอย่างนี้เป็นต้น หรือว่ามีความรู้สึกร่างกายนี้มีสภาพไม่ตายมันจะทรงอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยไม่เสื่อมไม่ตายไปจากโลกนี้หรือว่ามีความเห็นว่าร่างกายนี้นอกจากจะไม่ตายแล้วมันก็มีได้ความสะอาดหรือว่ามีความสะอาดน่ารักน่าชมน่านิยมทุกอย่างไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งไปของโสโครก แล้วก็มีความรู้สึกว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราเราไม่ในร่างกายร่างกายไม่ในเราความรู้สึกในส ก, กายทิทิอาตมามาตั้งไว้ทั้งสาระดับเขาก็อารมณ์อย่างนี้มีความรู้สึกไม่เสมอกันถ้าอารมณ์ขั้นบาโสดาบันหรือสกิทาคามีจะมีความรู้สึกในเพียงว่าร่างกายนี้ต้องตาย ถ้ารมณ์ขพระอนาคามีจะมีความรู้สึกว่าร่างากายนี่นอกจากจะตายแล้วมีสภาพเสื่อมไม่เที่ยงเป็นทุกข์และสลายตัวในที่สุดร่างกายของคนก็ดีของใส่ ก, ก็ดีวัตถุธาตุใดๆก็ดีไม่มีคํามบริสุทธิไม่ได้ความคมํามสุขสงบหน่าเกรียดน่าชังอย่างยิ่งมีความรังเกียจในการที่จะมีร่างกายต่อไปอีก <c oughs> อันนี้เป็นอารมณ์ของพระอนาคา ม, มีถ้าเป็นอารมณ์ของพระอรหันต์จะมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ข้อเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราฉันัน้นขอชวนบรรดาท่านพุทธบริษัทเอาเข้อปฏิบัติแค่เบื้องต้นยึดอารมณ์ของมโสดาบัญเข้าไว้เราจะเป็นมันสนดาบัญ น, นสิกธาคารมีหรือไม่นั้นไม่สําคัญ อย่าคำหนึ่งถึงว่าเราจะต้องเป็นระโสดาบันบ้างเป็นสกิทาคามีบ้างถ้ามีความรู้สึกอย่างนั้นความระหมาทจะเกิดกับบรรดาท่านพุทธบริษัทคิดว่าเราดีแล้วถ้าบังเอิญเราไม่ได้เป็นจริงๆถ้าพลาดรั้งตายลงไปอาจจะไปอาบายภขุมได้ฉะนั้นการปฏิบัติจริงๆให้ต้องการแต่ผล อย่าคิดว่าตนเป็นอย่างนั้นคิดว่าตนเป็นอย่างนี้จะกลายเป็นคนมีมานะทิฐิซึ่งเป็นกิเลสหยาบทำปัญญาให้ถอยหลังตรงความว่าสังโยชน์สิบรายการก็คือหนึ่งสกายะทิฐิมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันจะไม่ตายร่างกายสะอาด ร่างกายเป็นเราเป็นพวกเราเรามีในร่างกายร่างกาย ม, มีในเราวิจิกิจฉามีความสงสัยในพระพุทธเจา้าในพระธรรมคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าสงสัยความดีของพระอริยสงฆ์ไม่ตกลงว่าเราจะยอมรับนับถือหรือไม่มศีลพตะปรามาตรไม่ตั้งใจรักษาสินอย่างจริงจัง รักษาสินป่าเทศสินหัวเต่าคือผูกเข้าผูกออกประเดี๋ยวก็ส่งตัวบ้างประเดี๋ยวก็ไม่ส่งตัวบ้างสังโยชน์ข้อที่สี่กรรมฉันทะมีความลหลงไหลไฝ่ฝันในรูปสวยเสียงเพระกลิ่นหอมรสอรอยสัมผัสระหว่างเพศที่เรียกว่าติดลหลงไหลไฝ่ฝันอยู่ในกามารมณ์สังโยชน์ข้อที่ห้าปฏิฆะ มีอารมข้องใจไม่พอใจคือมีความโกรธความไม่พอใจอยู่เป็นปกติยังเหลืออยู่สัญญอดีเจ็ดขอโทษกอโทษข้อีหกดูบา ร, ราคามีความลหลงไหลฝ่าย ฝ, ฝันในรูปในรูปที่เป็นวัตถุหรือรูปประชานข้อข้อทีเจสงสัยฝ่ายฝันในรูปคือสิ่งที่ไม่มีรูปหรืออรูปประชาน ว่าดีเลิศประเสร็จแล้วข้อที่แปดมานะยังมีการถือตัวถือตนว่าเราดีกว่าเขาเราเสมอเขาเราเลวกว่าเขาอุเทจะข้อที่เก้าอุเทจะยังมีมอารมณ์ฟุ้งซ่านไม่มั่นใจในตนเองว่าเราจะไปนิพพานดีหรือไม่ไปนิพพานดีไปได้แน่หรือไม่ไปได้แน่เอาแน่นอนใจจะเิตใ จ, ใ จ, ใจใคายความเข้มแข็ง ข้อที่สิบอวิชชาอาวิชชานี่ยังมีความลหลงไหลไฝ่ฝันในมนุษย์สโลกเทวโลกปรรมโลกยังเห็นว่ามนุษย์พุทธสัโลกเทวโลกธรรมโลกเป็นของดีต้องการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏจักรวมความว่าสัญญอ์้ัยสิบรายการนี้เป็นเครื่องดึงเราให้เวียนว่ายตายเกิดตายแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ตายไม่ใช่เกิดจะมนุษย์ตายเป็นมนุษย์ตายจากมนุษย์เกิดเป็นมนุษย์ไม่ใช่อย่างนั้น ตายจากมนุษย์แล้วอาจจะเป็นสัตว์นรกก็ได้เปลือก็ได้สุรกายก็ได้สัต์ติแสงก็ได้เป็นเทวดาหรือพรหมก็ได้เป็นอะไรก็ได้สุดแล้วแต่ความดีทั้งความชั่วภาพบรรดาท่านพุทธบริษัทหรือบรรดาเพื่อนพิ่สุสมันเนรสามารถตัดเชงโยต์ได้เึงสิบแปการพระพุทธเจ้าทรงเรีพอต้ า, า, าระอหันเป็นผู้ตัด ก, กิเลสเป็นสมุทเทตุรหรัน รวมความว่าเราจะไม่พบกับคำว่าการเวียนว่ายกายเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสุรย ก, กายเป็นสติฉานกายเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาและผมไม่มีอีกแล้วไปอยู่นิพพานอย่างเดียวมีแต่ได้เป็นมีแต่ความสุขสมราญไม่มีความทุกข์เป็นที่ไปรวมความว่าวันนี้และวันต่อไป ก็ยังไม่ชวนบรรดาญาติโยมพุทธวิสัชและเพื่อนเป็นโสสมณเณรเป็นพระนาคามีหรือเป็นพระอรหันต์ก็ยังไม่ชวนทุกท่านเป็นพระโสดาบันสิธาคามีจะชวนแต่เพียงว่าเรามาเอากันอย่างนี้ดีกว่าในเมื่อพระโสดาบันก็ดีพระสิทธาคามีก็ดี ท่านสามารถหลีกนรกได้เด็ดขาดถึงยังไงก็ตามท่านไมน่มีโอกาสลงนรกไปอีกนรกก็ไม่เกิดเป็นเปรย ก, ก็ไม่เกิดอสุรกายก็ไม่เกิดเป็นสัตว์เลี้ยฉันก็ไม่เกิดจะมีแดนที่ไปที่มาระหวา่างเทวโลกกับมนุษยโลกเท่านั้นเป็นอนุตตตัดอัมยภูมิได้เด็ดขาดเราต้องการกังแค่นี้ก่อน ทางนี้เพราะอะไรพระบรมด า, าติโยมพุทธบริษัทก็ดีเพื่อนเบญสุชั้นวันเองก็ดีอาตมาเองก็ตามสำหรับอาตมาจริงๆมีความรู้สึกว่าเวลานี้เป็นเด็กอ่อนยังเป็นเด็กอ่อนอยู่ยังไม่กล้าต่อสู้อารมณ์ที่เข้าไปถึงความเป็นพระอรหันต์เราเป็นเด็กเล็กมีกำลัง น, น้อยๆยกของเบาๆก่อน อันดับแรกลองยกสัญญาต่างสาระการออกจากใจก็คิดว่ายัางไงยังไงเราก็ไม่ไปนรกกันก่อนไม่เป็นเปรตไมแปลสุรกายไม่เป็นสติชั้นกันก่อนดีกว่าเอาอยัางไงกันดีตั้งต้นกับจุดนี้ธรรดาต่้งพุทธบริษัทผู้ปฏิบัติพื่อกรมฐานการปฏิบัติเพร่อกำมฐานในหลักสูตรก็มีชาสาังก็ดี อวิญญาก็ดีเปนสมิธาญาณก็ดีหากว่าท่านได้สองนวีชาสามห้านาวิน ญ, ญาหกหรือสมาบัตแปดแต่ว่าท่านไม่สามารถจะตัดสสงโยนสามในการให้พ้นจากใจได้ท่านก็ยังเป็นเหยื่อของอาบายปู่มีนรกเป็นตนเราก็มาลองดูมันยากนกไหม ยากก็ไม่ยากกาลองพิจรารณากันดูหนึ่งส ก, กายติถิเอาตัวนี้เข้ามาตั้งก่อนอารมณ์ขั้นต้นเ ข, นขนว่าโสนดาบัญญัติกิทาคามีท่านมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายต่บันดาเพื่อนเบสุสมันเองก็ดีญาติโยมพุทธบริษัทก็ดี มีความรู้สึกเหมือนว่าโสดาบันสุจิทาคามีไหมท่านมีความรู้สึกว่าตัวท่านเองท่านจะตายไหมแต่ก็บางทีหลายๆท่านอาจจะลืมคิดว่าเราจะต้องตายเป็นปีๆก็ได้บางทีเกิดระสิบปียี่สิปีลืมนึกที่ว่าชีวิตมันจะต้องตายอันนี้เป็นของธรรมดาของพวกเรา ญาติโยมก็เหมือนกันพระภิกษุ ส, สมณะก็เหมือนกันอัตมาก็เช่นเดียวกันเราก็พวกกี้หลงคี้เลวเหมือนกันตอนนี้ไปเรามาตั้งต้นกันใหม่ดีไหมว่าตอนนี้ไปก่อนจะหลับเราจะคิดไว้ว่าหลับคราวนี้จะได้ตื่นเห็นพระอาทิตย์วันใหม่หรือไม่ก็ไม่สาบแล้วอาจจะต้องตายระหว่างการหลับหรือก่อนสว่างก็ได้ พอเสว่างแล้วตื่นขึ้นมาก็มีความรู้สึกว่าเราจะเห็นได้เห็นเป็นกลางคืนกลางวันคือคืนวันนี้เท่า้ก็ไม่ใช่พอชีวิตในช่วงสิบสองชั่วโมงของกลางวันเราอาจจะตายก่อนก็ได้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงเรื่องความตายที่บรรดาเต็นพระธบริษัท ยองอย่าคิดว่าคนคิดถึงความตายที่ต้องงอมืองอเท้าไม่ทํามาหากินไม่สั่งสนความดีอันนั้นผิด อ, อ ง, งส์สมเด็จพระธรรมสามิตรทรงแนะนําว่าคนที่นึกถึงความตายเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความแก้วกล้งประกอบติตใจงานทุกอย่างตามหน้าที่ครบถ้วนเขาไม่แน่ใจว่าจะตายเมื่อไหร่ สมมติว่าท่านมีสามีหรือปัญญาและมีบุตรทิดายอยู่ด้วยมีคอคนที่ต้องอุปถัมภ์ถ้าเราประมาแในชีวิตคิดว่าแก่สักหกสิบปีหรือเจ็ดสิบปีแปดสิบปีหรือร้อยสองรอปีจะต้องตายเราก็จะไม่สั่งสม ไ, ไว้ไว้ทรัพย์สินไว้เพื่อลูกหกลานยังคิดว่าอีกนานเราจะตายไม่เป็นไร ระหว่างนี้ทำกินพอกินไปวันวันหนึ่งเขาได้ถ้าบะเอินมาปู๊ปั๊บตายไปก่อนละ่ะลกูกหลานไม่ลำบากเรเราเองก็ลำบากเพราเรามีทรัพย์น้อยพอจะตายขึ้นมาจริงๆจิตก็มีความกังวลทั้งลูกเพื่อลานตัวจิตกังวลในตะ บ, บันรรดาแต่พุทธบริษัทจะทำให้เราต้องลงอบายอย่างต หกว่าเราไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าอาจจะตายวันนี้ไว้เสมอแล้วก็หาทางรวบรักเสี่ยงใดที่จะสร้างทรัพย์สมบัติได้เกิดขึ้นสําหรับทําทุนดําร้อนไม่เพื่อเราย่างยามป่ยที่ยามแก่ในเวลาที่มันตายไปแ ล, ล้วลหลายไม่ลำไม่ลำบากในการจัดการศพและการไปอยู่ในเบื้องหน้าเราก็หาทรัพย์สมบัติมาตามกําลังที่บะไปหาได้ หาจนเต็มความสามารถด้วยความไม่ประมาททีเดียวอย่างนี้ถ้าบังเอิญมันยังไม่ตายทรัพย์สินที่เราหาได้ก็จะสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับเราในปัจจุบันในเมื่อว่าเราคิดว่าเราจะตายแล้วรู้ว่าตายแล้วถ้าทําความชั่วจิตชั่วเราต้องไปอบายภูมิมีการเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นต้นเราก็จะละจากความชั่วนั้น ตั้งหน้าตั้งตาทำดีพูดดีคิดดีคนที่ทำดีพูดดีและคิดดีคนประเภทนี้เป็นที่รักของคนทุกคนในโลกไม่มีคนเลวที่ไหนที่เห็นว่าคนพูดดีทำดีคิดดีเป็นคนที่น่าเกลียดที่ต้องการประกาศไป็นศัตรู ถ้าคนที่มีสติสัมปัญญะสมบูรณ์บรนดาลเต็มพุทธบริษัทใครเขก็รักคนทําดีคนพูดดีและคนคิดดีเพราะการทําดีเป็นการกระทําที่ไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นให้มีความทุกข์คนก็ดีใส่ก็ดีไม่มีความทุกข์เพราะการกระทำของเราพู้คนระการพูดดีคนก็ดีใส่ก็ดีในโลกจะไม่เกิดความลําบากเดือดร้อนจากคาพูดของเรา คนที่คิดดีคนไรสัตว์ในโลกจะไม่เคยความลาบากยากแค้นเมียตรายเพราะความคิดของเราเราเองก็มีแต่ความสดชื่นคนอื่นเห็นเข้าก็มีการชื่นเจ้าชื่น อ, อกชื่นใจอยากคบหาสมาคมไปที่ไหนก็มีตมิตรเป็นที่รักถ้าอย่างนี้บรรดาแจ้าพุทธบริษัทคนที่คิดว่าจะต้องตายแ้วเกรงว่าจะไปอะารกู ต่างคนต่างทำดีต่างคนต่างพูดดีต่างคนต่างคิดดีอย่างนี้เจอะหน้ากันก็มีแต่ความเป็นมิตรไม่มีใครคิดเป็นศัตรูต่อกันพูดก็พูดราชาที่เป็นศิรักษึงกันแลกันการกระทำก็ทำไม่ไปขัดใจกันไม่ขัดขวางไม่มีามการกลแกล้งกันช่วยเหลือกันความคิดก็ไม่หมกมุ่นไปในอารมณ์ที่เศร้าหมอง อย่างนี้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทเลือเพื่อนเพื่อนพอนิสูสน์สมเด็จเห็นด้วยไหมว่าก่อนจะตายและไม่ทันจะตายเราก็มีความสุขแล้วความสุขเจอกันเจๆหนึ่งจากหนึ่งการเห็นหน้าและยิ้มแย้มแจ่มใสก็าหากันทุกคนก็มีแต่ความสดชื่นถ้ามีการข่ดข้องในทรัพย์สินและสิ่งของต่างๆต่างคนต่างยื่นโยนซึ่งกันและกั น, กน ส่งเขาเสนอเครื่องรายกันอย่างนี้ความทุกข์ยากมันก็ไม่มีกําลังใจก็ดีมีแต่คิดถึงความเป็นมิตศเครื่องรายกันอย่างนี้บรรดาท่าน พ, นนนาาพระพุทธสุสมณีทั้หลายญาติโยมบริษัทควรคว ค, คิดว่าเราจะต้องตายเมื่อเมื่อว่าคิดว่าจะต้องตายแล้วเราก็ตั้งใจว่าการตายของเราคนนี้จะเกิดจะตายเมื่อไร่ก็ตามที จะตายระยะไหนก็ตามคิดว่าพร้อมที่จะตายวันนี้ไว้เสมอเราก็ทำดีทุกจุดความเดียนดัดแรกบรรดาเจ้าพุทธบริษัทจะทำอะไรดีจะทำอะไรเป็นจุดแรกดีก็ขอยืนยันยึดเอาสังญญอดีศรที่เราเรียกว่าวิจิกิชาทำลายวิจิกิชาให้พ้นจากกำลังใจของเรา คำว่าวิจิตจชานี่แปลว่าสงสัยคือสงสัยในความดีของพระพุทธเจ้าสงสัยในความดีของพระธรรมคําำคำสอนสอนของพระพุทธเจ้าสงสัยในความดีของพระอริยสงฆ์มีพระอารหันต์เป็นต้นสงสัยว่าพระพุทธเจ้านะมีจริงแนละ้วไม่จริงถ้ามีจริงๆพระพุทธเจ้ากันดีไหม คำสอนขอ ง, งพระองค์ดีจริงๆแล้วเปล่านี่สงสยนะัยสงสัยคำสอนนี่สงสัยพว่ารมเลยแล้วสงสัยว่าพระอริยสงในพระพุทธศาสนานี่มีหรือไม่มีนักเข้าก็เลยคิดว่าไม่มีตัวสงสัยพระพุทธเจ้าจริงๆก็ไม่มีเพ ร, ราะไตรปิดกที่มีอยู่อ่า น, นจะอยู่ก็เป็นพระไตรปิดกโกบหมดเห็ด ไครเขียนขึ้นมาก็ไม่รู้ก็เขียนแบบโกหกโกหกหกันมาว่าโลกนั้นมีโลกนี้มีระลึกชาติได้ไม่ได้อิจิปะทะขึ้นไปเลยสงสัยพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาที่ก็บอกว่าพระสงฆ์พระสงฆ์และเป็นพระสงฆ์จริงๆหรือว่าเป็นตัวเบียดเบียนประชาช น, น, นทําให้สังคมมีความทุกข์มีความวระ่บรอน เพราะพระไม่เห็นจะทําทอะไรได้แต่บินาบาตแล้วก็กินกินแล้วก็นอนนอนก็บินาบาทแล้วก็บอกบุญบอกบุญบ้ญบางเรียนไร้กันบา้างจีปาถะมีแต่พูดไปพูดมาแล้วก็พูดไปไม่เห็นมีอะไรให้เกิดประโยชน์มไม่สงสัยเลยไม่เชื่อเสเลยลักษณะอย่างนี้เป็นสัโยชน์ขอ้อที่ที่ทำให้ทุกคนเราต้องลงอบายภูมิ ขอยืนยันว่าถ้ามีอารมณ์อย่างนี้ต้องลงอบยภพรมเป็นสัตว์รกเป็นเปนตรตเป็นสุริกายเป็นสติฉันแน่นอนถ้าถามว่าคนที่เขามีความรู้สึกอย่างนี้แล้วไม่ไปนรกมีไหมก็ตองตอว่าไม่มีเว้นไวแต่ว่าจะมีเวลาส่วนใดส่วนหนึ่งแม้จะเป็นเวลาน้อยมีความเชื่อมีความเริ่มใสเข้ามาเพียงเล็กน้อย ตายปุ๊ปับในขณะนั้นอาศัยที่จิตมีความเริมใสในพระพุทธเจ้าเป็นต้นและก็ไปสวรรค์่วคราวใช้เวลาไม่นานก็ลงผอ ม, มลงนรกไปอรบบันดาท่านพุทธบรบษัตย์ลายสำหรับเพื่อนต้วนวันนี้ <c oughs> ก็พูดกันมากไปกว่า น, นี้ไม่ได้เวลาก็หมดแล้วเครื่องหมายปอะเวลาเข้าจุดเส้นดำคน ชี้บอกดเวลาสาสินาทีแล้วใจอาตมาก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิพิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาแต่พุทธศาสนิกชนผู้รับฟงังทุกท่านสวัสดี